สาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือนยี่เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานยังได้มาที่วัดเพื่อมาเจริญคุณธรรมความดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสมมัตไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกๆคนไว้เจริญมีอยู่4ประการด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองจาคะ การเสียสละสศี ส, สิความประพฤติที่ดีงามและสปัญญาความรู้ความฉลาดคุณธรรมทั้งสีประการนี้เป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าสองได้กำหนดไว้ให้ผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นำไปเพื่อปฏิบัติตามเพราะว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะประสบกับความสุขควา ม, จมเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลความปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงศึกษาและทรงบรรลุเห็น อย่างไม่มีความสงสัยกำคาแล้วจึงได้นำเอามาสัสอนให้กับผู้ที่มีปัญญามีความเชื่อมีความฉลาดที่สามารถเห็นถึงผลที่ดีที่งามที่จะตามมาจากการที่ปฏิบัติตาม สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงได้ปฏิบัติมาถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ควรที่จะคานึงถึงคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้เพราะถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้เราก็ยังไม่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง <Yeah. S 1> และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะรับอ น, นิสง์ผลประโยชน์จากการเป็นพุทธศาสนิกชนได้แต่ถ้าเราจเจริญคุณธรรมทั้งสีประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับอ น, นิสง์อันดีงามอันประเสริฐเจบของพระพุทธศาสนาได้ตั้งแต่ตั้งแต่มนุษย์สมบัติ ขึ้นไปถึงเทวสมบัติพรหมสมบัติและอริยสมบัติคือมากผลนิพพานก็เกิดจากการเจริญคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ดังนั้นทุกๆวันพระหรือทุกๆครั้งที่เรามาวัดกันก็จะมีพิธีกรรมเพื่อที่จะเสริมสร้างให้เกิดความเจริญในคุณธรรมทั้งสี่ เช่นเมื่อท่านมาที่วัดแล้วท่านก็มีการบูชาพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นการตอกย้ำศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราในพระรัตนตรัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ตอกย้ำว่าเราไม่มีความสงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติ นี่เป็นการเจริญศรัทธาหลังจากนั้นก็มีการทำบุญถวายทานเช่นจตุปัจจยิยทานสังฆทานเหล่านี้ก็เป็นการเจริญจาคะคือการเสียสละต่อจากนั้นก็มีการสมาทานศีลนี่ก็เป็นการเจริญศีลความประพฤติดีทางกายทางวาจา และหลังจากนั้นก็มีการแสดงธรรมซึ่งเป็นการเจริญปัญญาความรู้ความฉลาดนี่แหละคือคุณธรรมทั้งสี่ประการที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกครั้งที่มาวัดจะได้เจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้และเมื่อได้เจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้ว ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจย่อมเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติดังนั้นจึงเป็นคุณเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรที่คำนึงอยู่เสมอควรเจริญอยู่เสมอไม่ว่าจะมาที่วัดหรือไม่มาที่วัดเพียงแต่ว่าเวลามาที่วัด ก็จะเป็นการสะดวกเพราะมีกิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องส่งเสริมให้ได้เจริญคุณธรรมเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ได้มาที่วัดก็ขอให้เราจงมีสติลำเลืกรู้ถึงคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วพยายามเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดเวลาใด เมื่อถึงเวลา <c oughs> ที่ควรที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้ก็ควรที่จะเจริญไป <c oughs> ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วความเจริญรุ่งเรืองของเราก็จะเป็นไปตามลําดับความเสื่อมก็จะลดน้อยถอยลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปจนในที่สุดจะไม่มี ความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจของเราเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ซึ่งสรุปลงอยู่ได้สามประการด้วยกันคือหนึ่งให้ความให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสองให้ละการกระทำบาปทั้งปลืองเสียสา ให้ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดนีเน <c oughs> น่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตัดสรุปธรรมในโลกแล้วนําธรรมนี้มาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคล ความหมดทุกข์หมดภัยหมดความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายได้อย่างแน่นอนได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ว่าพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะมาตรัสรู้ในโลกนี้ในเวลาไหนก็ตา่างก็จะสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ปฏิบัติในธรรมทั้งสาประการนี้ พุทธศาสนนิกชนเมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาคือศรัทธานี่เป็นคุณธรรมคุณสมบัติในเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนคือมีความเชื่อเมื่อได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนเรานั้นทำดีได้ดีทำเชื่อยอมได้เชื่อกิเลสตัณหาเป็นพิษเป็นภัยกับใจของเรา ควรที่ำํำระควรที่จะกำจัดไม่ควรที่จะปล่อยให้หลงเหลืออยู่เมื่อเรามีความเชื่อในธรรมทั้งสารประการในคําสอนของพระเจ้าทั้งสามประการเราก็นำไปปฏิบัติเช่นการทำความดีทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่การเสียสละนี่เองการเสียสละเสียการเสียสละก็หมายถึงการสละความสุขประโยชน์ส่วนตน ให้กับผู้อื่นเป็นการแบ่งปันความสุขและประโยชน์ให้กับผู้อื่นการเสียสละนี้ก็มีหลายระดับระดับธรรมดาทั่ ว, วไปถึงระดับขั้นสูงสุดระดับ ท, ทั่วไปก็อย่างที่พวกเราทำกันเรามีอะไรที่เป็นส่วนเกินเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อน ความสุขบางอย่างประโยชน์บางอย่างสมบัติเข้าของบางอย่างที่เรามีอยู่ถึงแม้เราจะไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็เสียสละสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเสียสละ แ, แบบธรมธรมดาธรรมดาส่วนการเสียสละแบบขั้นอุกริหรือขั้นสูงสุดก็คือ ยอมเสียสละแม้ในสิ่งที่มีความจาเป็นต่อความสุขของเราต่อพระต่อชีวิตของเราแต่เพราะใจมีความแน่วแน่ต่อการบาเพ็ญคุณธรรมข้อนี้ก็พร้อมที่จะเสียสละแม้แม้แต่ชีวิตก็เสียสละได้นี่ก็คือลักษณะของการเสียสละขั้นสูงสุด ดังในธรรมที่พระโจ้งคทรงสอนให้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตแม้กระทั่งสมบัติแม้กระทั่งอวัยวะเพื่อที่จะได้รักษาหรือได้เจริญธรรมนี่เองคือการเสียคือจาระนี้เป็นธรรมที่ประเสริฐอย่างยิ่งถ้าผู้ใดได้เจริญแล้ว ความจเจริญในใจของในบุคคลคนนั้นย่อมปรากฏขึ้นย่อมนำไปสู่ความสำเร็จอันสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาในแต่ละภพในแต่ละชาติซึ่งเมื่อฟังแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่สามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ชีวิต เพื่อที่จะให้มาให้ได้มาในธรรมที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะรพระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาแล้วในแต่ละภบในแต่ละชาติเราก็ได้ยินได้ฟังมาสมัยเป็นพระเวสสังดนก็สละราชสมบัติออกบวชสละลูกสละภรรยาเพื่อทาคุณธรรม นั่นเองและเมื่อมาเกิดเป็นเจ้าชายเศรษฐา mm hmm. ก็ได้สละอีกเหมือนกันเพราะนิสัยนี้ได้ปุกได้ถูกปลุกฝังมาจนเป็นจะเรียกว่าเป็นสันดานก็ได้แต่เป็นสันดานฝ่ายดีเป็นเรียกว่าเป็นอริยสันดานผู้ใดถ้าได้เจริญจากะาการเสีสละมาอย่างสม่ำเสมอแล้วจะเห็นว่าการเสียสละนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์เลย แต่เป็นความสุขใจอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อท่านลองเสียสละในสิ่งที่ท่านรักที่ท่านหวงท่านที่ท่านที่ท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งลองถ้าท่านได้เสียสละแล้วท่านจะสัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยมาปรากฏขึ้นในใจของท่านเลยเพราะสิ่งที่ท่านมีความรักความชอบ ความหยหาเนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่คลายหรือทำให้ใจเบาทำให้ใจสบายแต่กลับเป็นเครื่องผูกรัดใจให้มีความคับแค้มีความคับแค่มีความเห็นแก่ตัวมีความเสียดายแต่ถ้าท่านได้สละสิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านสมวนมากที่สุดได้ คือจะใจของท่านได้เอาชนะความหวงแหงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆแล้วใจของท่านจะคลายออกใจจะโล่งใจจะเบาใจจะมีความสุขนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้บุคคลอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตรสาวกทั้งหลายท่านสามารถเสียสละในสิ่งที่พวกเรา ยังไม่กล้าหรือยังไม่สามารถที่จะเสียสละได้เพราะว่าเรายังไม่เคยได้สัมผัสกับผลที่ประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นในใจของเราเมื่อเราได้เสียสละในสิ่งที่เรารักเราหึงแหนเราจะพบกับความสุขใจความเบาใจความภูมิใจที่เราไม่เคยพบมาก่อนในโลกนี้ในชีวิตนี้เลย และถ้าได้ลองทำอย่างนี้ไปเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะเกิดความผูกพันเกิดความยินดีที่จะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจความทุกข์ใจของเรานั้นก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงที่ให้เราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เบุคคลเมื่อเราไปยึดไปติดแล้วใจเราก็มีความเครียดกับสิ่งเหล่านั้นเครียดที่เกิดจากความหวงเกิดความเสียดายเกิดความจากความหยหนในในสิ่งนั้นๆันนึงแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้นๆเรากลับต้องมามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไม่เชื่อเรา สำรวจดูในตัวของเราในใจของเรากับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีหรือเป็นสิ่งของต่างๆก็ดีว่าเรามีความโล่งใจเบาใจกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่หรือเรามีแต่ความห่วงใยมีแต่ความกังวลใจมีแต่ความเครียดกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเรายังมีสิ่งเหล่านี้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นว่าเรามีแต่ความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งทั้งสิ่งความสุขที่เราได้รับจากสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆและเมื่อเราได้สัมผัสแล้วไม่นานเราก็เกิดความชิมชามา้าจนกระทั่งไม่เห็นความสุขของสิ่งนั้นๆเหลืออยู่เลยมีแต่ความหวงความ่วง ความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นที่ทำให้เกิดความคับแค้นจะคับแคบใจความวุ่นวายใจอยู่ในใจไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่เชื่อลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆทุกวันนี้ท่านทุกข์กับอะไรท่านก็ทุกข์กับชีวิตกับสมบัติที่ท่านมีอยู่นั่นแหละทุกข์กับครอบครัวทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกเต้าทุกข์กับ ทรัพสมบัติต่างๆที่มีอยู่เพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องคอยมาดูแลรักษาและเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพึ่งตัวเราเองไม่รู้จักอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ทั้งๆ ท, ที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่มีสามีไม่มีภรรยา เราก็อยู่ได้เราไม่มีรูปเราก็อยู่ได้เราไม่มีสมบัติมากมายกายกองเกินความจําเป็นเราก็อยู่ได้แต่เราไม่เคยอยู่แบบนั้นเลยเพราะว่าตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานั้นมีแต่ความหลงมีแต่ความโงเขะเบาปัญญาคอยหลอกให้เรากลายเป็นคนพิการไป คือไม่ให้เราพึ่งตัวเราเองไม่ให้เราหาความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ให้เรามีความมักน้อยสันโดษคือไม่ให้เรามีความพอใจยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่กับสร้างความรู้สึกหิวกระหายความอยากให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เราต้องดิ้นรนออกไป หาสิ่งต่างๆภายนอกตัวเราไปหาสมบัติเข้าของหาบุคคลเพราะคิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์กันแต่เมื่อมีมาแล้วเราก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความกังวลเพราะเมื่อเรามีแล้วเราก็เอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้คอยให้ความสุขอันเล็กๆน้อยๆกับเรา แต่ในขณะเดียวกันเราก็กลายเป็นคนที่การไปถ้าเราเกิดวันใดวันหนึ่งไม่มีสิ่งที่เราเคยมีเคยใช้อยู่เราก็จะมีความทุกข์อย่างมากบางครั้งบางคนอาจจะทนอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นถึงกับจะต้องทำลายชีวิตของตนเองไปทำลายชีวิตของตนไปในที่สุดก็เพราะว่าปล่อยตัวเองให้ไปยึดไปติด ไปเพื่อพาอาศัยสิ่งภายนอกมาให้ความสุขกับตนนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาให้ความสุขก็เกิดความทุกข์จนกระทั่งทนอยู่ต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าจะสอนว่าความสุขที่ประเสริฐความสุขที่เลิศนั้น อยู่ในตัวของเราแล้วอยู่ในใจที่สงบใจที่จะสงบได้ใจก็จะต้องปล่อยวางคือไม่ไปพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกยกเว้นสิ่งที่จําเป็นต่อการครองชีพดํารงชีวิตก็คือปัจจัยสี่สิ่งทั้งปัจจัยสี่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีถ้าไม่มีแล้วร่างกายนี้ชีวิตนี้ ย่อมอยู่ไปไม่ได้แต่ความจำเป็นคือความต้องการของร่างกายของชีวิต น, นี้ในปัจจัยสี <c oughs> ก็มีไม่มากมีพอที่เรารู้รู้กันอยู่ถ้าเรารู้จัก <c oughs> ความนักน้อยความสันโดษแล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเิ่นรนหาปัจจัยสีมาเกินความจำเป็นให้เหนื่อยยากไปเปล่า เพราะอาหารก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดียารักษาโรคก็ดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงๆถึงจะมีคุณค่ากับร่างกายอาหารมันก็มาจากที่เดียวกันมาจากที่ตลาดแล้วก็เอามาทำให้เรารับประทานราคามันสูงมันต่าก็คืออยู่ที่สถานที่ที่เขานำมาขายเรานั่นเอง ถ้าเราไปกินอาหารในร้านที่มีการตกแต่งมีมีค่าใช้จ่ายสูงค่าอาหารนั้นก็จะแพงถ้าเราไปซื้ออาหารมาทำรับประทานที่บ้านของเราอาหารนั้นก็เป็นอาหารเหมือนกันเมื่อเรารับประทานก็ไปมันก็ให้ความอิ่มรักษาชีวิตของเราให้อยู่ได้ต่อไปเหมือนกันความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ราคา ถ้าของแพงเราก็ต้องเสียเงินมากและเงินนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่งอกมาจากตัวเรามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องออกไปหากันมาเมื่อเราใช้มากเราก็ต้องหามากเมื่อหามามากมันก็ต้องเหนื่อยมากถ้าเราใช้น้อยเราก็ไม่ต้องดิ้นรนมากเราก็หามาน้อยๆพอใช้เท่าที่จำเป็น ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการที่จะต้องออกไปทำมาหากินก็มีไม่มากความสุขกับมีมากกว่าความสุขทางจิตใจมีมากกว่าคนที่ใช้เงินมากกับคนที่ใช้เงินน้อยเพราะคนใช้เงินน้อยนี้ไม่ต้องมีความกดดันที่จะต้องคอยไปหาเงินมามากๆมีอะไรก็ใช้ไปตามมีตามเกิดอย่างนี้มีความเบาใจ มีความสบายใจมีความสุขใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราและมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าเรารู้จักสร้างความสุขให้กับใจของเราหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราส่วนใหญ่เรามักจะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอย่างที่ได้สแสดงไว้แล้วด้วยความหลงทำให้เราเกิดความอยากความโลภ คิดว่าถ้าเรามีอะไรมากๆแล้วเราจะมีความสุขมากแต่เราไม่เคยขันมาดูที่ใจของเราเลยว่าวันๆหนึ่งนั้นใจของเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใหญ่กินไม่ได้นอนไม่หลับเศรษฐีบางคนมีเงินทองเยอะสามารถเสื้ออาหาราราคาแพงๆมารับประทานได้ แต่ใจกลับไม่มีความสุขกับการรับประทานอาหารนั้นเลยเพราะในขณะที่รับประทานอาหารนั้นไปก็มีแต่ความกังวลข่วงเรื่องดอกเบีย้ยบ้างเรื่องหนี้ที่จะต้องจ่ายบ้างเรื่องเงินลูกหนี้ที่จะต้องไปตามเก็บบ้างล้วนแต่แต่ปัญหาคาราคาสังอยู่ภายในใจสู้คนยากจนอย่างพระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกไม่ได้ ท่านไม่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ในใจของท่านเลยเพราะท่านไม่มีลูกนี้ท่านไม่มีเจ้านี้ท่านไม่มีดอกเบีย้ยที่จะต้องคอยมากังวลที่จะต้องคอยผ่อนสงวันๆหนึ่งท่านใจของท่านมีแต่ความว่างเพราะท่านไม่มีสมบัติอะไรไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องปล่อยไปคอยห่วงไปคอยกังวล เป็นวันวันหนึ่งก็มีเพียงแต่หน้าที่เดียวสำหรับดูแลร่างกายตอนเช้าก็ออกไปบินธบารหาอาหารมาตามมีตามเกิดได้อะไรก็มีความพอใจกับอาหารที่ได้มาก็รับประทานได้ก็อิ่เหมือนกันแต่ใจของท่านสิเป็นใจที่เบาเป็นใจที่สุขเป็นใจที่ว่างจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะใจท่าน ได้ถูกชำระด้วยปัญญาแล้วปัญญานี่แหละคือสิ่งที่จะมาทำลายความความโสโปกหรือที่เรียกว่ามนทินความเศร้าหมองอันเกิดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายพวกเราแทนที่จะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำและทรงได้ปฏิบัติมาแล้วเรารกับ ยังไม่ได้ทำกันแต่เรากลับไปส่งเสริมความเศร้าหมองส่งเสริมความโศกปรกในใจของเราให้มีมากยิ่งขึ้นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากต่างๆเหล่านี้ทุกครั้งขอให้จำไว้ว่าเวลาเรานีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากในกางความอยากมีอยากเป็น หรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกครั้งเวลามีสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างขยะสร้างความโสโปรกให้มีมากขึ้นไปในใจและเมื่อมีมากขึ้นไปในใจแล้วใจก็จะมีความทุกข์มีความเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นไปทั้งๆ ท, ท, ที่เราอาจจะได้มาสิ่งต่างๆภ า, า, ายนอกที่เกิดจากความอยากของเรา เราอา จ, จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกสิบล้านอีกร้อยล้านแล้วอาจจะมีสามีมีภรรยาเพิ่มขึ้นอีกสี่ห้าคนก็ตามแต่ในใจของเรานั้นกลับมีความเศร้าหอมองเพิ่มขึ้นไปมากเพิ่มขึ้นไปอีกมีความกังวลมีความวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะเรากําลังสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรากําลังสร้างความสุขให้กับใจแต่แท้จริงแล้วใจของเรากลับมีความทุกข์ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องลองเปรียบเทียบดูระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีอะไรบ้างท่านไม่มีอะไรเลยในเรื่องสมบัติภายนอกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา ไม่ว่าจะเป็นสมบัติต่างๆตำแหน่งต่างๆไม่มีอะไรเลยมีเพียงแต่สมบัติอยู่แปดชิ้นที่จาเป็นต่อการดำรงชีพการครองชีพของส ม, มณะของพระเท่านั้นก็คือมีผ้าไตรจีวรมีผ้าสามผืนมีบาตรอยู่ใบหนึน่งมีประคตเอวมีมีมีมีมีมมีมีมีมีม และมีที่กรองน้ำนี่คือสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนี่แหละทำให้ท่านจงอยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความเบาใจด้วยความสบายใจเพราะใจของท่านไม่มีภาระไม่มีความผูกพันกับอะไรทั้งสิน้นเพราะไม่ว่าเรามีอะไรในไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพอดทิ้จากสิ่งต่างๆ ที่เราไม่อยู่เพราะโดยธรรมชาติของชีวิตเลานั้นเราก็เห็นกันอยู่ว่าเวลาเราเกิดเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่าๆมาและเมื่อเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆคือใจของเรามาและเมื่อเมื่อตายไปใจของเราก็ทิ้งร่างกายนี้ไปทิ้งสมบัติทิ้งบุคคลต่างๆไปหมดเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอกจากบุญ กรรมบาปเท่านั้นบุญก็คือ ค, อความเจริญหรือปัญญาบาปก็คือความโงกเขาเบาปัญญานั่นเองถ้าเรายังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นเราต้องรีบขวนขวายศึกษาและลองปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาคือพยายามลดละตัดกิเลสตัณหาทั้งหลายให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไป เมื่อเราทำได้แล้วเราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราเรียกว่าปัญญาความสว่างซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังอย่างวันนี้แล้วก็ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็ยังจะไม่เห็นผลของการเสียสละของการตัดการปล่อยวางแต่ถ้าลองนาไปปฏิบัติ ด, ดูแล้ว ทำได้ในเบื้องต้นอาจจะยากหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ฝืนกับนิสัยใจคอของเราแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าเรามีความเข้มแข็งมีความอดทนต่อสู้ในไม่ช้ากเ็เลวเราก็จะสามารถปฏิบัติตามอย่างที่พระเจ้าได้สอนได้ปฏิบัติมาและเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะเห็นผลคือความสุขความ เบาใจที่จะปรากฏขึ้นมาในในใจของเราแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเรานี่โง่เขาเบาปัญญามาต้องนองนานมัวหลงแต่แบบกองทุกแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการอะไรแล้วในในเรื่องของสมบัติภายนอกในเรื่องบุคคลภายนอก เราอยู่ได้โดยลาพังของเราแม้กระทั่งไม่มีร่างกายนี้เราก็อยู่ได้เพราะเราเห็นใจของเราแล้วเรารู้แล้วว่าใจของเรากับร่างกายของเรานี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องอาศัยของใจเท่านั้น